พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส4พระสูตรที่ส4สฉันโนวาทาสูตรสูตรว่าด้วยการให้โอวาดพระชันนะพระผู้มีพระภาคประทับณเวลุวนาวรามใกล้กรุงราชคฤห์พระสาวรีบุตรพระมหาจุนทะและพระชันนะอยู่ที่เขาคิจกูดพระชันนะไม่สบายเป็นไข้หนัก พระสารีบุตรจึงชวนพระมหาจุนทะไปเยี่ยมถามอาการพระช น, นะเล่าทุกขเวทนากล้าให้ฟังและแสดงความจำงจะฆ่าตัวตายพระสารีบุตรก็ห้ามไว้และแสดงธรรมให้ฟังไม่ให้ยึดถืออายตนะภายในมีตาเป็นต้นวิญญาณมีจักขูวิญญาณเป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูป คือที่พึงรู้แจ้งได้ด้วยจกักขูวิญญาณเป็นต้นไม่ให้ยึดถือสิ่งทั้งหมดนั้นว่าเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่ น, น, นเป็นตัวตนของเราเมื่อพระสารีบุตรกับพระมหาจุลทะกลับไปแล้วพระชันนะก็ฆ่าตัวตายพระสารีบุตรไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบโดยใจความว่า ผู้ใดลกทิ้งกายนี้ยึดถือกายอื่นเรากล่าวว่ามีโทษแต่ภิกษุช น, นะเป็นผู้ไม่มีโทษสำหรับข้อนี้อัตกถธาแก้ว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการสิ้นชีวิตที่เรียกว่าสมะสีสี พัะไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส4พระสูตรที่ส5บห้าปุนโนวาทสูตรสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระปุณณะพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามพระปุณณะเข้าไปเฝ้ากราบทูลขอให้ประทานโอวาทจึงทรงแสดงธรรมสอนให้ไม่เพลิดเพลินยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโหัพพะ และธรรมะที่น่าปรารถนารักใคร่ชอบใจเมื่อดับความเพลิดเพลินได้ก็ดับทุกข์ได้พระปุณณกราบทูลว่าท่านจะไปอยู่ในชนบทชื่อสุนาปรันตะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชาวสุนาปรันต์ดุร้ายถ้าเขาด่า ว, ว่าเธอจะทำอย่างไรกราบทูลว่าข้าพระองค์จะคิดว่า ด่ายัางดีกว่าทำร้ายด้วยมือตรัส <ương ss> ถามว่าถ้าเขาทำร้ายด้วยมือจะทำอย่างไรกราบทูลว่ายังดีกว่าใช้ก้อนดินทำร้ายตรัสถามว่าถ้าเขาใช้ก้อนดินทำร้ายจะทำอย่างไรกราบทูลว่ายังดีกว่าใช้ท่อนไม้ทำร้ายตรัสถามว่าถ้าเขาใช้ท่อนไม้ทำร้ายจะทำอย่างไร กราบถูนว่ายังดีกว่าทำร้ายด้วยสัตราถ้าเขาทำร้ายด้วยสัตราจะทำอย่างไรกราบถูนว่ายังดีกว่าฆ่าด้วยสัตราที่คมถ้าเขาฆ่าด้วยสัตราที่คมจะทำอย่างไรกราบถูนว่าบุคคลบางคนยังต้องหาคนมาฆ่าแต่นี่ดีที่ไม่ต้องหาได้คนที่มาฆ่าให้ พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาและตรัสอนุญาตให้ไปได้ท่านไปอยู่ในที่นั้นได้แสดงธรรมให้ผู้ประกาศตนเป็นอุบาสกห0 0อคนและท่านเองก็ได้บรรลุวิชาสามซึ่งประกอบไปด้วยระลึกชาติได้ทิพยจักสุเห็นสัตว์เกิดตายและทำอาสวะให้สิน้นท่านได้บรรลุวิชาสามภายในพรรษานั้น และได้ปรินิพพานในการต่อมา